ในการนับถือศาสนาแก่ทุกศาสนาทุกนิกายรวมทั้งแก่ชาวคาทอลิกด้วยพระเจ้าเจมส์ที่สองทรงเริ่มทำการต่างๆที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ชาวคาทอลิกและพระมเหสีก็ได้ประสูตรโอรสพระองค์หนึ่งจึงทำให้ชาวอังกฤษวันเกรงว่าจะมีกษัตริย์คาทอลิกขึ้นครองราชในแผ่นดินอีกครั้งนั้นพวกนักการเมืองอังกฤษจึงโค่นราชบัลลังเสีย โดยติดต่อเชิญชวนให้เจ้าชายวินเลียมพระราชบุตรเคยของพระเจ้าเจมที่สองนั้นซึ่งปกครองดินแดนอยู่ในฮอลันดาและกำลัง ร, งร่วมรบในสงครามบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปให้ยกกองทัพฮอลันดามาบุกและขึ้นครองแผ่นดินอังกฤษเจ้าชายวินเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอนในคศ .1688 หรือพศ .2231 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตรพระเจ้าเจมที่สองทรงหนีไปฝรั่งเศสเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์สจวตและรัฐสภาอังกฤษได้ร่างกฎหมายขึ้นเรียกว่า Bill of Rights คือสิทธิบันหรือบรรณสารแห่งสิทธิซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศสิทธิเสรีภาพของราษฎรและกาหนดการสื่อราชสมบัติสิทธิบั หรือวิวออฟไลนี้ปรากฏเหตุเป็นมาว่าพระเจ้าเจมส์ที่สองได้พยายามจะบ่อนทำลายและกำจัดศาสนาโปรตสแตนพร้อมทั้งกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักรอังกฤษจึงต้องโค่นราชบัลลังก์ลงวิ View of Rights เรียกประเทศอังกฤษว่าราชอาณาจักรโปรตสแตนและในด้านการสื่อราชสมบัติได้กำหนดว่า บุคคลที่เป็นโรมันแคาทอลิกก็ดีแต่งงานกับคนคาทอลิกก็ดีจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อังกฤษมิได้อันเป็นบทบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใช้จนถึงทุกวันนี้รัฐสภาอังกฤษเสนอถวายราชบัลลังก์อังกฤษแก่เจ้าชายวินเลี่ยมและพระชายาพร้อมด้วยเงื่อนไขคือสิทธิบัลลังฉบับนี้เมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับก็จึงได้ขึ้นครองราชร่วมกันเป็นพระเจ้าวินเลี่ยมที่สาม และพระนางแมรี่ที่ 2, อสองในขศอสอ9 b นึ่งหกแปดเกบฉบับนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศอังกฤษสืบมาและมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนธันวาคม1689ระหว่างนี้ในเดือนพฤษภาคม1689 รัฐสภาอังกฤษก็ได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคันติธรรมให้พวกโปรเจสเต์แดทั้งหลายทั้งปวงแม้จะไม่ยอมรับหรือแตกออกไปจากนิกายอังกฤษก็มีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ชาวโรมันคาทอลิกไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากพรบรนี้เหตุการณ์ใหญ่แห่งคอซหนึครั้งนี้ซึ่งเป็นการโค่นราชบัลลังก์พระเจ้าเจมส์ที่สอง และสถาปนาพระเจ้าวินเลี่ยมที่สามกับพระนางแมรี่ที่สองขึ้นแทนโดยยกรัฐสภาขึ้นให้มีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นการปฏิวัติของประเทศอังกฤษซึ่งไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อจึงเรียกว่า REVOLUTION การปฏิวัติที่งามสงา่าหรือการปฏิวัติที่เ พ, พลิดเพลัยนับแต่นั้นประเทศอังกฤษก็ถูกปกครองโดยรัฐสภาสืบมา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 ครั้งนั้นพระเจ้าหลุยที่14มหาราชผู้มีรัชกาลอันยาวนานที่สุดของประเทศคาทอลิกฝรั่งเศสนอกจากทรงต้อนรับให้ที่พักพิงอย่างดีแก่พระเจ้าเจนที่สองกษัตริย์อังกฤษ ท, ที่หนีมาหลบภัยแล้วยังทรงอุดหนุนทุนรอนให้พระเจ้าเจนที่สองยกทัพไปรบเพื่อชิงราชบัลลังก์กลับคืนและฟื้นศาสนาคริสต์โรมันคทอลิกขึ้นในอังกฤษใหม่ แต่กองทัพเรือฝรั่งเศสถูกทำลายแตกพ่ายกลับมาครั้นพระเจ้าเจมส์ที่สองกษัตริย์ไร้บรลังสวรรคตแล้วพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ได้ทรงประกาศสถาปนาโอรสของพระเจ้าเจมส์ที่สองทั้งที่อยู่ในฝรั่งเศสนั้นให้เป็นพระเจ้าเจมส์ที่สกษัตริย์แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์แล้วกษัตริย์ใหม่นอกบรรลังก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีก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 กับทั้งชาวคาทอลิกก็สิ้นโอกาสที่จะขึ้นครองราชในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาดด้วยเป็นไปตามบรรณาารแห่งสิทธิที่กล่าวแล้วนั้น